คุณจะหายป่วยได้ตอนไหนคุณป่วยได้เพราะภูมิคุ้มกันของคุณผิดปกติทํางานผิดพลาดถ้าเป็นมะเร็งหรือติดไวรัสได้ง่ายนั่นคือภูมิคุ้มกันคุณต่าทำงานช้าแต่ถ้าคุณป่วยเป็นโรคภุมแพ้ตัวเองนั่นคือการที่ภูมิคุ้มกันของคุณทํางานที่ไวเกินไปถ้าคุณทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณมีสมดุลได้คือไม่ทํางานช้าหรือไม่ไวเกินไปตอนนั้นแหละที่คุณจะหายจากการป่วยโฟร์ไลฟ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติใช้เพื่อสอนภูมิคุ้มกันของคุณโดยตรง สั่งซื้อโฟลท์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติในเว็บไซต์นี้ได้เลย